วันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายสงบจิตสงบใจคอยฟังว่าท่านจะพูดเรื่องอะไรเพราะวันนี้เป็นวันทาบุญด้วยเพื่อจะถวายพระราชกุศลแด่องอาราชาการที่เก้า เป็นวันที่สิบสามเป็นวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบสองปีนะที่พวกเราจะได้ลํำลึกถึงพระคุณของท่านเดือนตุลานี่นะมีอยู่แล้วก็วันที่ยี่สิบสามนี่ก็ตุลาเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของปัจุโนจอมกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าแลวก็ตุลาเหมือนกันวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้ก็เป็นวันคล้ายวันราชพระราชสมภพของสมเด็จยา่าและก็ยี่สิบสี่เป็นวันปรณาออกพรรษาวันที่ยี่สิบหกตุลาเป็นวันถวายพระเพลิงบรมุข ก็เดือนนี้เหมือนกันพวกเราจะได้ล้ำลึกถึงท่านเพราะท่านเป็นผู้มีคุณาประโยชน์แก่ประชารชานทุกหมู่เหล่าตั้งแต่ขึ้นครองราชมาท่านก็บำเพ็ญพระราชารยกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงจนกระทั่งผ่านไป หกสิบ7 0ดสิบคืนครองราชท่านได้ทำคุณประโยชน์ทุกโครงการทุกอาชีพในประเทศไทยทั้งด้านพัฒนาทั้งฝ่ายธรรมะฝ่ายธรรมะท่านก็ได้เสด็จออกบรรพชาอุปสมบท แล้วก็เป็นศาสนูประธรรมพกเป็นพุทธมากะบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ปฏิบัติธรรมท่านก็อยู่ในอาร ว, วาสินห้าตลอดธรรมะที่ท่านปฏิบัติเป็นประจำนั่น เราก็อาจจะไม่ทราบได้ว่าท่านปฏิบัติธรรมชนิดใดเท่าที่หลวงพ่อเคยเข้าไปอยู่กับหลวงปู่เลี่ยนที่สำนักสงฆ์เขาเรียกว่าสำนักสงฆ์สวนกิจละดาบางบางคืนก็ได้รับนิมนต์ให้ไป สนทนาธรรมะที่ตึกใหญ่ที่ท่านประทับจึงได้รู้ว่าหลักธรรมที่ท่านปฏิบัติเป็นประจำนั้นอาจจะว่าทุกลมหายใจเข้าออกท่านปฏิบัติประจำนั้นคืออะไรในธรรมะนั้นท่านเรียกว่า สุญญาตาคือความว่างสุญญาตากันนี้เป็นสมเด็จของญาณสังวรท่านแสดงไว้พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านชอบกันนี้มากเวลาท่านประชวรทีไรท่านจะเปิดเทปเรื่องสุญญาตาคือทำให้จิตมันว่าง เนี่ยที่กิงมันต้องทำให้กิดว่างทุกกรณีนะคือท่านปฏิบัติอยู่สามข้อนี้เป็นประจําในชีวิตประจำวันของท่านคือสุนยียตาแปลว่าความว่างทำให้กิดว่างไม่ให้มีกังวลไม่ใช่ว่ากิดว่างแล้วจะไม่ทำอะไรนะยิ่งทำได้ดีกิตใจยิ่งสงบยิ่งมีความว่าง ยิ่งสติปัญญาก็แข็งกล้าเห็นไหมแล้วหลักอันหนึ่งที่ท่านปฏิบัติเป็นปในชีวิตจิตใจของท่านเลยก็คือหลักอหิงสาปรมาธรรมโมพยายามอยู่ในหลักที่ไม่เบียดเบียนผู้ใดเนี่ยไม่เบียดเบียนผู้ใดและไม่เบียดเบียนผู้อื่น ที่ท่านทำนั้นทางนี้ท่านเบียดเบียนไม่เนี่ยเราสังเกตดูว่าท่านเสด็จไปทรงงานที่นูนที่นี่ท่านไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้ใดท่านถือหลักเนี่ยไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าการปฏิบัติต่อข้างนอกนะคือไม่เบียดเบียนตนเองก็คือไม่หาเรื่องให้ตนเอง ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดตนเองไม่ทำความเดือดร้อนให้เกิดตนเองหรือไม่บริโภคเสพติดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงต้องงดหมดเลยเห็นไหมแม้แต่น้ำชากาแฟท่านก็ไม่ได้เสวย ส่วนมากท่านจะสวยน้าประเปล่าเท่านั้นเองอเนี่ยไปอย่างนั้นเพราะว่านี่ก็คือเบียดเบียนตนเองอนะคือท่านพยายามที่จะอยู่กับธรรมชาติแล้วปฏิบัติตามธรรมชาตินั่นะแล้วข้อที่สองตถาคตา ทุอย่างต้องรู้เท่ารู้ทันทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเองอทำงานก็เช่นนั้นเองไม่ทำก็เช่นนั้นเองเหมือนกั น, นและข้อสุดท้ายเป็นข้อตัดบทมีสามข้อนะจำาให้ดีพระเจ้าอยู่หัวท่านปฏิบัติในชีวิตในเรียกว่าในชีวิตของท่านเลยล่ะ ในที่นี้อาจจะไม่เคยได้ยินคืออัตตมายตาอัตามาตมะจาคือตัดบทมาเลยคือไม่ยอมทําความชั่วเด็ดขาดไม่ยอมทําในสิ่งที่ไม่ดีเด็ดขาดเป็นหลักฝังใจอยู่งั้นนี่เป็นหลักสุดท้ายฉะนั้นพระเจ้าอยู่หัวท่านปฏิบัติได้ดีที่สุดเป็นแบบอย่าง นะเป็นเมพบอย่างดีที่สุดท่านประคองท่านมาเนี่ยตั้งแต่ขึ้นครองลาดจนกระทั่งท่านสวรรคตดดูลีลาการปฏิบัตินั่นนะ่ะท่านไม่เคยแสดงความเสียใจให้ปรากฏท่านไม่เคยแสดงความดีใจให้ปรากฏ ท่านทำใจของท่านเป็นปกติตลอดมาถึงบ้านเมืองจะวุ่นวายขนาดไหนท่านก็วางท่านก็อยู่ในสุญญาตาคือความว่างอไม่ไม่มีเรื่องเหล่านั้นอยู่ในจิตใจของท่านืบ้านเมืองจะวุ่นวายขนาดไหนท่านก็ทกําจิตใจเป็นปกติอยู่ได้คืออยู่ด้วยความว่างนั right, ่นคือสุญญาตาคือความว่าง สูญยะว่างตาแปลว่าความสูญยะตาแปลว่าความว่างเนี่ยแล้วผู้มีจิตฝึกให้จิตใจมีความว่างนั่นนะ่ะมีความแข็งแกร่งมีอำนาจมีพลังแล้วสามารถทำได้งานดีที่สุดและเรียบร้อยด้วย เห็นไมท่านตัดเป็นปกติทั้งนั้นเลยเวลามีปัญหาอะไรท่านก็ตัดเป็นปกติพวกเราเนี่ยต้องหัดต้องฝึกต้องหัดให้จิตใจของเราเย็นไว้ให้จิตใจมันว่างที่จริงมันว่างอยู่แล้วจิตใจของคนนะ่ะมีความว่างรอเลี่ยงจิตใจของเราอยู่เป็นประจำเราจึงมีความเย็นใจ เย็นอกเย็นใจอยู่บ้างเป็นส่วนใหญ่กิตใจของเป็นปกติอยู่เป็นธรรมดาเป็นส่วนใหญ่เราจึงไม่ได้เป็นบ้าเป็นหลังไม่ได้เป็นโรคประสาทไงเนี่ยแต่ทีเนี้ยมันเป็นความว่างโดยธรรมชาติเราไม่รู้สึกตัวเพราะเรามัวตั้งแต่เรื่องอื่นๆส่วนมากมัวพวกพวังมัวกับเรื่องอื่นเป็นส่วนใหญ่ เลยไม่ได้เข้าใจสิ่งเนี้ซึ่งสิ่งนี้มีมีความว่างหล่อเลี้ยงกิจใจของคนเราอยู่มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็คอยตัดบทตัดบทอยู่เรื่อยธรรมชาติมันคอยตัดบทเรื่องอะไรเรื่องอัตามายะตานี่คือตัดบทคือไม่เอาเรื่องเหล่านั้นมาเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ว่าทุกข์เรื่อง ไม่เอามาเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นนะคือตัดบทมาเลยอันนี้นะฉะนั้นจึงได้รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านปฏิบัติในธรรมะสามสามข้อนีเท่า น, นั้นเองคือข้อที่หนึ่งก็สุญญาตาคือความว่างข้อที่สองก็ตถาคตา ทุกอย่างมันเป็นไปของมันเองทั้งหมดเนี่ยมันก็เวียนไปไม่มีอะไรคงที่ไม่มีเรื่องใดจะคงที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกเวลาทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีด้วยไม่มีอะไรคงที่ที่เราอยากจะให้มันคงที่ไงเราอยากให้มันคง ท, งงที่แล้วมันก็ทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อน คือเราไม่ปล่อยวางเรื่องนั้นน่ะไม่ปล่อยวางเรื่องเหล่านั้นมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนแต่ธรรมชาติมันให้ปล่อยทุกเรื่องมันให้จบลงทุกเรื่องฉะนั้น พ, พ, พิธีดูจิตใจของเราให้อยู่ตรงนี้ดูที่ตรงไหนดูที่ความรู้สึกของเราเมื่อเกิดความรู้สึกทุกอย่างมันอยู่กับความรู้สึกที่จิตใจมันเกิดความรู้สึกขึ้นมา จะดีจะชั่วมันเกิดขึ้นตรงนี้ก่อนเนี่ยถ้ามันมันไปในทางที่มือดีก็คอยปัดเป่ามันออกไปในตรงนี้ น, ะ, นะเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อขึ้นสุภาษิตว่าพุทธโธธรร ม, มสังโฆจาตินานาโหตามเปว่าตุโตถึงเราจะแยกเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ตามแต่ หลักการนั้นอันเดียวกันคือนามคือความว่างนั่นเองอ่าพุโทโธธโมสังโฆคือว่างจากความโลภความโกรธความหลงว่างจากกิเลสตัณหาเป็นประจำอืมแท้ที่จริงนั้นกิเลสตัณหาไม่ใช่เกิดอยู่ทุกเวลาบางวันมันก็เกิดไม่กี่อย่างหรอก ส่วนใหญ่ล้วก็สบายใจทำงานอยู่ก็สบายใจไม่ไม่มีไม่มีความรักความชังความโกรธความ เ, าเกลียดอะไรเกิดขึ้นบางวันบางคนก็อาจจะไม่มีเลยซ้าไปแต่ละวันมันไม่ใช่เกิดอยู่เรื่อยแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงแยกย้ายถ่ายเทแล้วไหลเวียนไปตลอด เราต้องมาดูที่ความรู้สึกของเราตรงนั้นอ่ามันเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาเนี่ยคือนามเป็นคุณนามของความว่างพระพุทธเจ้านั่นน่ะพระพุทธเจ้าที่เราบูชานั่นน่ะเราบูชาความว่างเป็นพระพุทธเจ้าพูดสิ้นกิเลสแล้วผู้หมดกิเลสตรงนี้จึงได้เป็น หมดกิเลสจนได้เป็นพุทธเจ้านะพระธรรมก็เป็นแนวทางปฏิบัติให้ผู้พุนที่หมดกิเลสพระสงค์ก็ปฏิบัติตามนั้นก็ให้พ้นจากกิเลสมาเป็นคุณในนามของผู้ที่หมดกิเลสแล้วเหลือแต่แต่ความรู้สึกบริสุทธิ์บริบูรณ์เท่านั้นเองน่ะที่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รู ป, ปรธรรม ฉะนั้นถ้ารูปธรรมถ้ารูปธรรมถ้าจะเอาพระพุทธเจ้ารูปธปรรมท่านก็ดับขันธ์ทะไปแล้วแต่ถ้าเอาผู้ที่พ้นจากกิเลสเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้แล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา โสทามังปัจติโยมังปัจติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจะถาคตผู้ใดเห็นเราจะถาคตผู้นั้นเห็นธรร ม, มคือเห็นธรรมก็คือดักทุกข์ปล่อยวางได้นั่นเองคือเห็นความว่างนั่นเองถ้เห็นธรรมก็เห็นความว่างจิตใจไม่ได้ยึดถือกิเลสตัณหา อยู่ในจิตใจของตนเองหมดสิ้นแล้วถ้าผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นแม้จะจับชายกีวรของเราอยู่หรืออยู่กับเราตลอดหรือนอนกับเราตถาคตตลอดก็ไม่ได้ชื่อว่าเขาเห็นตถาคตเพราะเขาไม่เห็นธรรมนั่นแจ้งพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นอยู่กับเราตลอดอยู่กับเราตลอด ท่านไม่ได้ดับขันนิพพานที่ไหนพระเจ้าตัวกิงก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะที่จะปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์พระเจ้าท่านให้เราศึกษาความกิ่งไงความกิงคือแบบธรรมชาติความกิ่งเห็นไหมท่านก็นเรียกว่าอริยสัจสี่นั่นแหละนะทำไมพระองค์ต้องเอา ต้องบอกให้เรากำหนดทุกขึ้นก่อนแต่ทุกมันซ้อนเล่นไงทุกอะทุกหมดแหละนะเกิดเป็นทุกเกิดมาแล้วก็รับภาระหนักเนี่ยเราแบกเราหามสังขารรูปนามอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็เป็นทุก ลำบากลําบนทนทุกข์ทรมานจะลุกจะเดินจะเหินไปไหนมันหนักทั้งนั้นน่ะทั้งเรียกว่าทุกข์มันหนักสังคิเตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาอสรุปโดยย่อแล้วอุปทานขันทั้งห้าคือยึดมั่นถือมั่นขันทั้งห้านี่เป็นทุกข์เพราะขันทั้งห้าเป็นของหนักมันหนักเห็นไหมเดี๋ยวนี้เรายิ่งหนัก เห็นไหมล่ะยิ่งแก่ยิ่งเท่าก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกจะลุกจะเหินจะเดินก็ลาบากมันหนักมันมากก็เป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอ่ากินก็เป็นทุกข์อ่าไม่ได้กินก็เป็นทุกข์อืมเรียนหนังสือกำลังเรียนอยู่ก็เป็นทุกข์อ่าเรียนแล้วจบแล้วก็เป็นทุกข์ไม่มีงานทำก็เป็นทุกข์ มีงานทำแล้วก็เป็นทุกข์ยุ่งยากลำบากทนทุกข์ทรมานทุกอย่างนั่นน่ะแต่เราไม่ได้สังเกตเพอเราไปมัวคว้าหาแต่ความสุขที่ไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะอันบ้างอันนี้บ้างเนี่ยเห็นไหมมีบ้านก็ว่าจะมีความสุขก็ไม่มีความสุขมีรถมีลามีอะไรก็ไม่มีความสุข ท่านจะให้ย่นมาอยู่กับความว่างไนงะจะมีมีได้มีบ้านมีช่องมีทรัพย์สมบัติเป็นร้อยเป็นพันเป็นร้อยล้านพันล้านก็ได้แต่เราไม่ไปยึดถือไว้เราทำใจให้มันว่างให้มันว่างให้มันอยู่กับความว่างแล้วสิ่งที่เรามีเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้เนี่ยท่านทำอย่างนี้ เนี่ยจึงจะพ้นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปถือไปสําคัญว่าเรารวยเรามีเราดีเราเด่นอมีเงินหลายล้านเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายก็เป็นทุกข์แต่ที่นี้ใช่ไหมจะเป็นหมายทั้งว่าไม่มีอะไรเลยนะมีทุกสิ่งทุกอย่างมีเป็นร้อยล้านพันล้านก็ได้มีเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มเรือนเต็มชาแนลแหละ แต่เพียงแต่ไม่เอามายึดมาถือไว้ในใจของเราให้มันอยู่อย่างนั้นเนี่ยให้มันอยู่ของมันอย่างนั้นมันอยู่ที่ไหนก็เขาให้มันอยู่อย่างนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีเป็นเป็นเรียงที่จะให้รับใช้เราให้มันอ่าสะดวกเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่รับใช้มันไม่ใช่เป็นนายเราเราไม่ใช่เป็นทาสมันมันมาอํานวยให้เราอยู่ อยู่สุขสบายท่นันเองสิ่งเหล่านี้นะ่ะมันเป็นทาตรับใช้เรานะแต่เราเป็นแต่ว่าเราเป็นทาตของมันนะเมื่อเราเป็นทาตของมันก็เป็นทุกข์สินั่นน่ะเมื่อเราเป็นทาตของมันก็เป็นทุกข์เเมื่อเราเป็นนายมันเราใช้มันเราเอาศัยมันเราอาศัยมันได้นี่ น, นั่นน่ะเราก็เป็นนายมัน ถ้าเราเป็นธาตุมันมีอะไรก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนันเป็นธาตุของความทุกข์เป็นธาตุแห่งความมีความความมีความจนของมันได้คือสิ่งนี้หัดอยู่หัดอยู่ในใจยังว่าหลวงพ่อเนี่ยไปฟังแล้วรู้สึกคือหมดเลยนะเรื่องพระพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่เก้านี่นะ เพาหลวงพ่อมีโอกาสได้ติดตามหลวงปู่เลี้ยนไปด้วยเข้าไปในตําหนักนั่นอ่ะก็เคยถามเคยดูว่าท่านนอนเวลาไหนท่านพักผ่อนเวลาไหนคนที่ดูแลท่านไม่ทราบเลยว่าท่านนอนเวลาไหนเดี๋ยวท่านก็อยู่อ่าห้องอักษรอ่ากาลังนั้นอยู่ห้องวิณิชัย อกัดหลังจากไหว้พระสวดมนต์แล้วอ่าไม่รู้ว่าท่านนอนเวลาไหนขนาดคนที่อยู่ใกล้ชิดยังไม่เห็นท่านว่าท่านพักผ่อนว่าเวลาไหนไม่มีนะแล้วที่นอนของท่านก็ไม่มีโซฟานะไม่มีโซฟาเลยอ่าเป็น เป็นเตียงหัวโลนเฉยๆแล้วก็มีผ้าผ้าสักหลาดปาูไม่ใช่โซฟาไม่ใช่สิ่งที่อ่อนนุ่มนิ่มไม่มีเพราะท่านนอนแบบธรรมดาเอาผ้าหม่มผ้าอะไรสักหลาดปูแค่นั้นเองแล้วก็นอนแป๊บเดียวก็แล้วดูดู หมอนก็รู้สึกจะเป็นหมอนไม้ซ้ำไปในใ น, ในห้องบรรทมของท่านนั่นน่ะวก เ, เราก็หาตั้งแต่แนวจะปวดหลังปวดเอวนะอ่อนนุ่มนิ่มเป็นโซฟานอนเเนี่ยนั่นแหละแต่ว่าท่านนอนอย่างนั้นเพื่อให้เพื่อให้หลังมันเรียบไงนอนอย่างนั้นน่ะ ไม่แรงท่านนอนธรรมดาแม้กระทั่งได้ทราบว่าเวลาท่านเสด็จไปทรงงานที่ไหนไปดูฟ้ายไปยังไงน่ะมันก็มีลูกน้องไปด้วยอย่างเนี้ยนะเวลาท่านเสวยอ่าลูกน้องก็จะเอาไว้ให้ท่านจานหนึ่ง เนี่ยเวลาท่านมาท่านก็เสวยกับลูกน้องก่อนที่จะเสวยนะท่านก็ยังตักเอาข้าวอยู่ที่จานเนี่ยให้ลูกน้องคนนนบ้างคนนี้บ้างคนนู้นบ้างก็เหลือนิดหน่อยก็ฉันเพื่อฉันให้มันหมดท่าเสวยให้หมดเลยไม่ไม่ให้เหลือก็ฉันอิ่มท่านนะ่ะนะฉันกับมหาดเล็กฉานก้าพุทธิ์ตามมัน ท่านไม่ได้เป็นนั่งสเสวยเฉพาะตัวนะเนี่ยแล้วยังแบ่งให้ลูกน้องอีกอ่ากลัวเขาจะไม่ได้กินอิ่มก็แบ่งให้ก็เหลื อ, อาจานของท่านนิดหน่อยทั้งก็ท่านก็นกสเสวยของท่านเท่านั้นเองสเสวยน้อยออ่สเสวยน้อยมากอืแต่ท่านทํางานมาก พวกเรานะส่ยทานมากแต่ทำงานน้อยแต่ท่านทานน้อยอทำงานมากเนี่ยแล้วท่านก็ปฏิบัติศาสนากิจของท่านก็เน้นสกิจพอเพียงให้ทุกคนทำให้พออยู่พอกิน คนไหนไม่พอกินก็แบ่งให้เขาไปกินให้มันพออยู่พอกินทุกคนมีอยู่มี ม, มีพออยู่พอกินแล้วเหลือค่อยเอาไปขายท่านว่าอย่างนั้นแต่พวกเราไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไปขายก่อนซื้อกินทีหลังเนี่ยไม่ว่าข้าวปลาอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็เอาไปขายก่อนแล้วค่อยมาซื้อกินทีหลัง แตอ่อุรมของพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านบอกว่าให้เรามีกินก่อนแล้วอิ่มแล้วมันเหลือค่อยเอาไปขายเน่ยมันก็เลยกลับกันมันก็เลยกลับกันกับท่านท่านก็ยพยายามทำเป็นตัวอย่างพราว่ามีที่ไหน พระราชามหากษรัตริย์แม้ประธานาธิบดีทุกประเทศมีที่ประเทศไหนบ้างที่พ ร, ระเจ้าอยู่หัวลงปักดำข้าวไถนาวางข้าวเก็บเกี่ยวข้าวกับกับประชาชนราษดรมีที่ไหนมีแต่เมืองไทยเมืองเดียวทนนันเองแล้วก็มียุคพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้านั้น นั่นน่ะนั่นเราลองเราลองนึกดูสินึกดูภาพไิอ่าตอนนั้นก็ไม่ใช่ว่าตลอดถึงพระเทพหรือวงสนุวงทุกคนละ่ะลงทุ่งทุ่งไล่ทุ่งนาเก็บเกี่ยวข้าวอ่าทาทางนั้นก็มาอีกสมัยแบบโยนข้าวอบแบบโยมโยมก้าข้าวอะน้องนั่นน่ะนั่น น, น่ะเป็นอย่างนั้น หลองพ่อจะเล่าอันหนึ่งให้ฟังหน่อยเพื่อให้มันมีอารมณ์หลายๆยอย่างเนาะบางคนเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนอย่างที่ไปเจ้าอยู่หัวลวะที่กิงาธาตุแท้ของคนเรานั้นสันสัตยานของคนเรานั้น จิตใจของคนเรานั้นมีความว่างเป็นประจำอยู่แล้วอท่านเรียกว่าเป็นประพัดสอนอยู่แล้วมีความสงบเย็นอยู่ในตัวมันเสร็จอแต่อาศัยสิ่งกระแสภายนอกมาปรุงแต่งมายอมมาพัฒนามันก็เลยไปอเพแปลว่ากิเลตันหาจอนเข้ามาทําให้ใจิตใจของเราสกรปรกมัวหมองนั่นนะ ที่กิ่งธาตุแท้ของกิจนั้นปฏภัดสอนอยู่แล้วสงบเย็นอยู่แล้วเนี่ยก็มีกิเลสตัณหาทำให้มาขุ่นมัวในกิจใจนั่นนะทุกคนให้สังเกตดูใจของเราก็ได้ฉะนั้นบางคนว่าถ้ากิจใจสงบกิจใจเยือกเย็นกิจใจว่างแล้วมันจะไม่ทำอะไร อันนี้ไม่ถูกยิ่งทําได้ดียกตัวอย่างเช่นพระเจ้าอยู่หัวอย่างเนี้ยใครทางานทางานได้เหมือนท่านบางทีเราทําแล้วเราเป็นทุกข์เดือดร้อนใช่ไหมแต่พระองค์นั่นทาแล้วเสร็จแล้วก็คือเสร็จไม่ได้เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไระท่านทําท่านท่งงานทําเสร็จแล้วก็คือเสร็จท่านไม่ได้เอามายุ่งในจิตใจของท่านเลยท่านว่างแล้วจิตใจของท่านว่างแล้ว อ่าทําเสร็จก็วางเลยวางทุกเรื่องที่ทําเสร็จแล้ววางทุกเรื่องเนี่ยที่นี่เราไม่วางอ่ะเมื่อไม่วางมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนทีนั่นนะอันนี้คือภาคปฏิบัตินั้นพูดให้ฟังนี่ไม่ใช่ภาพทุกคนต้องปฏิบัติได้เองทั้งหมดแล้วก็มีอยู่ในตัวของเราแล้วทั้งหมดเนี่ยแล้วอีกในหนึ่งก็จะพูดให้ฟังว่า สรรสา ต, สาตยานของมนุษย์นั้นสามารถพึ่งตนเองได้ทำด้วยตนเองได้พัฒนาตนเองได้ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดก็ได้เนี่ยพระเจ้าท่านชี้มาที่ตัวเรามนุษย์เท่านั้นที่สามารถทำได้แล้วก็สามารถแก้ไขปรับปรุงตัวเองพัฒนาได้สามารถปฏิบัติได้เนี่ย ท่านมอบให้มนุษย์คนเราเนี่ยตั้งแต่เป็นกัญญาณชนมาเป็นกันปัญญาชนปฏิบัติมาเป็นอริยชนเป็นพโสดาอนาคาภอรหันต์มนุษย์ทำได้สัตว์แราฉานทำไม่ได้แต่เราทำไม่ไม่ทำทั้งที่ เรามีสิทธ์มีอำนาจที่จะทำให้เก่ดตนเองได้ทั้งหมดนะพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นคนเหมือนเราในแหละท่านก็ปฏิบัติท่านก็พิจารณาท่านก็พัฒนาจนกระทั่งรู้เท่ารู้ทันหมดแล้วจนวางได้วางได้กิจจอ่ากิจใจของท่านก็ว่างเป็นสุญนตตาว่างจากกิเลสตัณหาเนี่ย ทีนี้ท่านนาพวกพวกประชาชนพวกเราเรียกท่านว่าพระพุทธเจ้าที่เกิยงพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เรียกท่านว่าเป็นท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าพวกเราไปเรียกท่านเองด้วยความคารพนับถือบูชาแล้วก็ขอพึ่งท่านท่านบอกว่าให้พึ่งตนเองพึ่งธรรมพึ่งตนเองพึ่งการกระทําของตนเองอะ ท่านไม่ได้บอกให้พึ่งท่านแต่พวกเราไปขอพึ่งท่านต่างหากแล้วท่านก็ไม่เคยบอกว่าฉันเป็นพระพุทธเจ้านะในนั้นไม่มีมีแต่จะบอกว่าเราตถาคตเท่านั้นเองเราตถาคตเป็นอย่างนั้นนตถาคตเป็นอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับว่าท่านพูดว่าเกตนณาหังอ่าพิกเวกัมมังวดามิ ดก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าเกตนาแลเป็นตัวกรรมคือตัวคือเกตนาไม่ดีก็เป็นอกุศลเกตนาดีก็เป็นกุศลนั่นนะคือเกตนามันต้องมีเกตนาเกตนาจะทำดีเกตนาจะทำชั่วมันเกิดจากเกตนาทั้งนั้นไป็อย่างนั้น เราตถาคตกล่าวว่าเกตนาแลเป็นตัวกรรมหรือเกตนาหั่งพิกะเวสีลังวดามิฮนะะดูก่อนพิษุททั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าเกตนาแลเป็นตัวศิลคือเกตนาที่จะละเว้นสิ่งต่างๆเป็นตัวศิล ไม่ใช่สมาทานศินคือเกตนาอยู่ที่จิตใจของเรางดเว้นนะ่ะเป็นตัวศินอยู่ในตัวมันเสร็จแล้วไม่สมาทานก็ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าสมาทานสินห้าสินแปดแล้วจะวัดตัวเองมีศินไม่ใช่สมาทานเฉยไม่ไม่ใช่สมาท า, า, านแล้วจะวัดตัวเองมีศินไม่ได้ถ้าเรามีเกตนางดเว้น ในจิตใจของเราไม่ยอมทำความชั่วพยายามรักษากิตใจของเราอยู่เป็นปกตินั่นนะคือศีลอยู่ในตัวมันเสร็จแล้วไม่ต้องสมาทานก็ได้สมาทานก็เป็นพิธีท่านเองเป็นพิธีเป็นพิธีเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวการปฏิบัติตัวการปฏิบัติคือตัวอยู่ในที่เราต้องปฏิบัติเองอยู่ในใจของเราเองนั่นนะ่ะ บางคนก็ว่าสมทานศีลแล้วก็ถือว่าตัวเองมีศีลแล้วไม่ใช่นะอะ่ให้ไปอย่างนั้นอืมก็เหมือนกับว่าเออเรามีเรามีเสื้อผ้าแลว้วล่ะแต่แล้วเรายังยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยอะ่ะแล้วเรารู้จรู้ได้อย่างไงว่าเสื้อผ้าตัวนั้นมันมันพอดีกับเราอะ่ะนั่นอะเราต้องได้ใส่เสื้อผ้าตัวนั้นก่อนแล้วเราจึเห็นว่าเออมันมันหลวมหรือมัน มันคับมันแคบไปแล้วก็เราจะรู้เพราะว่าจะได้เปลี่ยนใหม่ได้นั่นน่ะฉะนั้นทุกอย่างต้องทำเอาเองทั้งหมดเพียงแต่พูดเพียงแต่ได้ยินได้ฟังแล้วมันไม่จะให้มันสาเร็จประโยชน์นั้นไม่ได้เราต้องทำเองท่านทั้งหลายจงพึ่งตัวเองจงเอาติเองเป็นที่พึ่งเอาตนเองเป็นหลัก เอาธรรมะเป็นที่พึ่งเอาธรรมะเป็นหลักในการปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าท่านย่ำแล้วย่ำอีกย่ำแล้วย่ำอีกให้เราพึ่งตนเองอย่าไปเป็นทาตสิ่งโน้นสิ่งนี้เลยให้ทาเล ย, เยพระเจ้าสอนให้ทารรที่กิ่งนั้นตัวเรานั่นน่ะทุกคนนะ่ะเป็นตัวธรรมะทั้งหมดเลย นะตัวธรรมะทั้งตัวหมดเลยนะอยู่ในตัวของเราเสร็จแล้วเราไม่เอาออกมาใช้ ย, ยังไงเราไม่ อ, ออกมาใชาอ้อ่ะไปอย่างนั้นธรรมะงางนนะการทำงานก็เหมือนกันการทำงานก็เป็นการปฏิบัติธรรมตามปกติเนี่ยมีคุณธรรมที่ทำงาน อยู่ในใจหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าไปปฏิบัติธรรมจะต้องหยุดทำงานจะต้องพักงานจะต้องไปทางโน้นทางนี้ไม่ใช่ น, นั้นนะมันเข้าแล้วว่าเข้าใจมันเลยไปแล้วการปฏิบัติงานทุกอย่างการทำงานทุกอย่างทุกประเภทนั่นคือการปฏิบัติธรรม ไม่ได้แยกพุทธเจ้าท่านไม่ได้แยกเป็นการปฏิบัติธรรมหมดแม้กระทั่งเราจะนั่งจะนอนก็เป็นการปฏิบัติธรรมหมดนั่งอย่างไรจึงจะไม่หกลม้มเดินอย่างไรจึงไม่หกลม้มก็เป็นการปฏิบัติธรรมหมดเวลาตื่นนอนขึ้นมามันก็บอกแล้วสอนธรรมะหมดเลยตื่นแล้วคุณจะทำอะไระคณตื่นมาก็จะเข้าห้องนง้ชำชาระล้างนะ้าแปรงฟัน และคทันทุนทำจะทำอะไรต่อไปเนี่ยมันจะบอกมันจะเตือนอยู่ทุกเวลาต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นเสร็จแล้วก็จะไปทำงานตรงนั้นตรงนี้ล้วนแล้วตั้งแต่แปลนการปฏิบัติธรรมธรรมะสอนทุกวันทุกวันนั่นล่ละตัวเรานะสอนเราทุกวันทุกวันอืมอาจารย์ สอนดีที่สุดก็คือเราสอนเราถ้าเราสอนเราไม่ได้แล้วต่อให้อาจารย์วิเศษมาจากไหนก็สอนไม่ได้หลวงพ่อเคยพูดเป็นประจำว่าอย่าว่าแต่พวกเราเลยแม้พระพุทธเจ้าก็สอนพระเทวทัตไม่ได้เฉะนั้นท่านจังให้ทาเอฟไงหาาตาโล ต, ถ า, า ต, าลาตถาคตาเราตถาคต เป็นไต้เพียงผู้บอกทางเท่านั้นการเดินทางเป็นของพวกเธอทั้งหลายท่านไม่ได้ไปเอาไปตำคนถึงขนาดนั้นให้ทำเองเนี่ยคุณบอกแล้วเนี่ยบอกไว้นี้คุณก็เดินเองเอะถ้าคุณไม่เดินคุณก็ไม่ถึงให้เดินเองทำเองอไม่ใช่ว่าจะไปต้องไปบอกไปสอนทั้งวันทั้งคืน และมันมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรทั้งสิน้นเราต้องเดินเองท่านบอกว่าไปทางเนี้ยทางไปเนี้ยมรคาไปเนี้ยสายตรงเนี้ยมีมรคาองแป็ดนะเดินทางทางนี้แล้วแล้วมีมีพรามมีคณะหนึ่งไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่างนิพพานก็มีอยู่ ทางไปนิพพานก็มีอยู่ผู้บอกทางไปพระนิพพานก็มีอยู่แต่บางคนก็ไปถึงพระนิพพานบางคนก็ไม่ไปถึงพระนิพพานนี่เป็นเพราะเหตุอันใดพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านไม่ตอบทันทีท่านก็ย้อนถามว่า ท่านรู้จักทางไปไปกรุงราชตะคือไหมก็รู้นี่เพราะข้าพรเจ้าอยู่กรุงรัชตะคือนี่นง่นก็ทราบทางไปแต่คนที่ว่าบางคนเขาบางคนเขาจะไปกรุงราาัชตะคืแต่เขาไม่เคยไปแล้วเขามาถามคุณนะ่ะคุณจะบอกว่า ก็บอกไปทางนี่ไปทางนี้ทางนี้เนี่ยคนบอกไปกรุงราชสักคือก็มีอยู่ทางที่ไปรัชทุกก็มีอยู่แต่ทําไมาคนบางคนเดินทางไม่ถึงกรุงราชสักคืเนี่ยเพราะเหตุอันใดอันนี้ก็เหมือนกันอเราจะท้าจะหาคดจะทํำยังไงได้เพราะเรามีแต่แต่บอกเท่านั้นเองเนี่ย ทางที่พระนิพพานก็มีอยู่ทางไปพระนิพพานก็มีอยู่คนที่บอกทางพระนิพพานก็มีอยู่แต่บอกแล้วเขาไม่ไปทางนั้นเราจะหาโคตจะทำอะไรได้เพราะเราเพียงแต่บอกทางได้เท่านั้นเองเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องทำเองทั้งหมดทำเอาเองแล้วทำให้มันถูกต้อง ท่านจึงได้เอาสัมมาทิฏฐิขึ้นก่อนเห็นไหมสัมมาทิฏฐิอ่า <c oughs> ขึ้นก่อนในในในมากรองเปรนั่นนะ่ะเอาปัญญาขึ้นก่อนทุกอย่างต้องใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นกิ่งทองแท้แล้วค่อยไปค่อยไปนั่นนะ่ะแล้วว่าสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบคือนะ่ะคือเห็นอริยสัจสี่อ่า สัมมาสังกัปปะดำริซอบดำริจะออกแก็บกามอดำริอันที่จะไม่เบียดเบียนผู้ใดนี่ให้ไปอย่างนั้นถ้าเรายังคิดจะเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ก็หาความสุขไม่ได้อหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นเราจะทําอย่างไรถ้าทุกคนปฏิบัติตัวเองให้ไปทางนั้น มันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากเป็นอย่างนั้นฉะนั้นต้องทำเองต้องไปเองเหมือนที่เขามาถามพระเจ้านะ่ะบางคนก็ไปถึงพระนิพพานบางคนก็ไม่ไปถึงอ่ายราถ า, าคตจะทำอย่างไรได้เพราะราถ า, าคตเป็นเพียงแต่ผู้บอกเท่านั้นเองการเดินทางจะเป็นของพวกเธอทั้งหลายเนี่ย <c oughs> ฉะนั้น เราต้องปฏิบัติอืมทีนี้ส่วนที่มันจะทําให้เราไหวเ ฟ, ฟมันเกิดขึ้นจากที่ใดให้ตั้งสติตั้งใจแล้วดูที่ความรู้สึกของเรานั่นน ะ, ะทุกคนมีความรู้สึกก่อนทั้งนั้นแหละก่อนมันจะคิดจะนึกอะจะปรุงจะแต่งไปอีกอ่ะมันเกิดจากความรู้สึกอื ถ้ามันมีความรู้สึกไม่ดีก็ตัดมันตรงนั้นเลยไม่ส่งเสริมมันไม่ไปตามมันมิฉะนั้นอ่ะมันไม่ทันพราะมันเกิดเร็วดับเร็วเกิดเร็วดับเร็วแต่ละเรื่องละเรื่องมันเกิดเร็วดับเร็วบางทีเรายังไม่ทันได้ได้นั่นเลยมันไปแล้วมันดับแล้วมันก็ไปเรื่องใหม่หมดแล้วฉะนั้นพระเจ้าท่านจะไม่ให้ตามไงไม่ให้ตามเรื่อง แต่ให้ตั้งใจรู้เท่ารู้ทันอะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้ให้ตั้งสติปัญญาอยู่ตรงนี้อะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้อยู่ตรงนี้ดับไปก็รู้รู้แล้วก็วางเมื่อวางกิจก็ว่างว่างแล้วก็กรับสิ่งใหม่ต่อไปเพราะเมื่อเรารับเร็วดับเร็วเกิดเร็วดับเร็ววันหนึ่งหนึ่ง ไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่หนนั่นแหละนะท่านจึงว่ากิจทํางานมากกิจไม่ค่อยจะมีเวลาพักผ่อนนะที่กิงธรรมชาติของกิจมันพักคือทุกอ่าทุกชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมันจะพักห้านาทีมันพักนานไม่ได้เพราะงานมันมากมันพักห้านาที นี่เราเคยสังเกตไหมว่าเวลามันพักนั่นนะเรากลับไปไปแล้วว่าเออเอาทาไมวะมันยังคิดอะไรก็ไม่ออกมันทําไมมันฮือมันคิดอะไรไม่ออกเอก็ไปโทษมันอีกล่ะที่จริงตอนนั้นมันพักถ้ามันพักแล้วมันจะไม่คิดอะไรทั้งสิ้นมันจะไม่ปรุงไม่แต่งอะไรทั้งสิ้นพักห้านาทีแค่นี้ ใ้ถึงเวลามันทํางานมันก็ลุกทํางานรับผิดชอบอะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรดับไปก็รู้อยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็แค่นั่ะทีนี้ตอนมันทํางานแล้วอ่ะเราก็เออทําไมมันไม่สงบนะทําไมไม่มันหยุดคิดนะ่ะเราให้มันหยุดคิดจะ ไ, ไม่คิดทําไมไม่สงบก็ไปโทษมันอีกนั่นน่ะนั่นแหละที่จรงมันทํางานแล้ว ธรรมชาติเขาทำงานตรงเวลาหมดไม่มีเลดมีเลดเหมือนพวกเราเหรอพวกเรานี่มีเลดมีเลดเรืเ่อยมันก็เลยนั่นเลยเขาทำงานตรงเวลาหมดแล้วก็ทำงานไม่ค้างด้วยธรรมชาติเขาทำงานไม่ค้างด้วยเขาทำงานเสร็จทุกเรื่องให้เราไม่เสร็จเพราะตัวไปตัวยึดไว้ท่านนั้นเองอเหมือนกับคนเขามามาพูดให้หลวงพ่อฟังว่า เวลาโกรธกันน่ะทะเลาะกันน่ะเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะหลวงพ่อบอกว่ามันจบตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแล้ววันนี้เอามาทําไมอ่ะวันนี้ไม่ก็เรื่องใหม่สิไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องนั้นมันจบตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเรื่องที่เราไม่พอใจเรื่องขัดใจเรื่องอะไรมันจบตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วจิตใจมันก็เปลี่ยนไปเรื่องอื่นหมดแล้วอ่ะแล้วจะเอามันมาทําไมวันนี้เน่ะ วันนี้มันก็เรื่องใหม่ๆสิมันก็เรื่องใหม่ปีใหม่เดือนใหม่ปีใหม่ไปแล้วอะ่ะจะมันามาทําไมโกรธกันตั้งแต่เมื่อวานนี่มันจบตั้งแต่เมื่อวานนี่แล้วเออืมนั่นสิแล้วทีนี้ใครโง่ใครฉลาด อ, ะอ่ะฮะฉะนั้นเราต้องต้องหยุดวางให้มันจบลงตรงนั้นเรื่องราวต่างๆแม้เราไม่จบมันก็จบเองธรรมชาติมันจบทุกเรื่องเนี่ยใช่ไหม ดูระยะของมันดิขนะนี้เราเสียใจขณะนี้เราดีใจขณะนี้เราหัวเราะได้ขณะนี้เราร้องไห้มันเป็นระยะระยะของมันและกระจบลงในตัวมันเสร็จจบอยู่ในตัวมันเสร็์ทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะมันไม่มีค้างที่มีค้างเนี่ยเราก็ต้องไปติดตัวมันยึดไงยึดไว้ ยุดไว้แล้วก็ท่านในในในในในภาษาธรรมะท่าเรียกว่าอุปทานเนี่ยเราเนี่ยเป็นโลกอุปทานเยอะไงเป็นโลกอุปทานอ่าหมอเขาบอกว่าเธอเป็นปวดหัวนะ่ะนิดหน่อยเราก็แหมปวดหัวเราก็มามาบริกรรมอยู่ว่าปวดหัวปวดหัวมันก็ปวดสิเอเขาว่านั่นเป็นโรคเบาหวานนะนี่ อะไรก็มาเป็นทุกข์เดือดร้อนกับโลคประหลาญยึดมั่นถือมั่นว่าเราตัวเป็นอนั่นเป็นก็เป็นไปสิเราก็ไม่ใช่ไม่ใส่ใจกับมันเป็นก็ไปเป็นไปสินั่นไปอย่างนั้นคือเราอยู่ต้องเอาชนะมันชนะความเก็บปวดชนะความโรคภัยไข้เจ็บอืมหลวงพ่อว่าออย่าไปเชื่อหมอนัก หมอมันกรว่าไปอย่างนั้นเลอหมอมันกรว่าไปอย่างนั้นน่ะทีนี้ผู้ที่ถูกก็หม อ, เ, อเธอเป็นนั้นเป็นนี้นะซักไม่สบายใจใช่ไหมล่ะก็คิดว่าเราเป็นนั้นเป็นนี้เป็นนั่นเป็นนี้อยู่ร่าไปนั่นคือตัวยึดถือทําให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนแพ่านะนั้นท่านวางตัานรู้จักวางเหมือนตัวอย่างที่พูดให้ฟังเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า ท่านวางทุกเรื่องทำเสร็จแล้วท่านวางเลยเข้าสู่ภวงัวงเข้าสู่ความสุญญตาคือความว่างหมดแล้วท่านยึงไม่ได้เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรไเราเคยดูเคยสังเกตท่านทาไมดูไหมนั่นแหละเวลามีคนทำไม่ดีไม่ล้ายอ่ ะ, อะเข้าไปหาใช่อืม ท่านท่านเปรมเจรนน์นำนายกรัฐมนตรีเข้าไปห า, านันน่ะสุกินดาคราพิลมไม่ใช่ค <c oughs> าประยูนหรือไงไม่รู้นะแล้วก็ไอเอสีเมืองจำลองเนา ะ, ะ <c oughs> จำลองสีเมืองเนาะ <c oughs> เข้าไปหาให้พวกนี้พวกนี้เขากัดกัน <c oughs> เข้าไปหาเห็นไหมท่านพูดด้วยกิจว่างสบายสบายพวกนี้รางน้ําตาหมดเลยเห็นไหมท่านเป็นพูดเป็นปกติธรรมดาธรรมดาเนี่ยท่านพูดอย่างนั้นอย่างเนี้ทำให้สองคนน้ําตาร่วงเลยเห็นไหมเป็นปกติอื ม, อมถ้าคนไม่กิตใจไม่เป็นปกติไม่มีความว่างอยู่ในใจอ่ะฮะกูซีหน้าเลยเนาะ พวกเขาทำให้บ้านเมืองวุ่นวายอย่างนั้นเ อ, อ, อใช่ไหมแต่ท่านไม่พูดอย่างนั้นท่านวะท่านพูดตามปกติธรรมดาดยจิตว่างให้พวกนั้นร้องห่มร้องไห้แล้วสำนึกตัวได้เนี่ยทำอะไรก็เกินไปมากมายใช่ไมละ่ะนั่นนั่นมีความรู้สึกจิตเป็นความว่างเป็นประจำพูดเสร็จก็คือเสร็จเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็พูดอย่างนั้นเมื่อเสร็จ พูดเสร็จแสดงทำเสร็จพูดเสร็จก็หมดเลยไม่มีอะไรอยู่ในใจของท่านพระรัชเจ้าท่านทำงานยิ่งกว่าพวกเรานี่เองทำงานตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเห็นไหมเช้าก็ไปบินธรรบาตแล้วก็ไปโปรดญาติโยมบางคนบางท่านกลัวจะกลับวัดก็เที่ยงวันกลับมาแล้วก็มา โปรดญาติโยมคนที่จะมาถามปัญหามาจนมาเกือบช่วงค่าช่วงค่าก็ต้องอ่อบอบรมตอบปัญหาเหล่าสาวกทั้งหลายที่จะมาเฝ้าแล้วมาถามตอบปัญหาเนี่ยจนดึกก็เลิกพวกสาวกก็เลิกไปแล้วอพวกเทวดาก็ลงมา ลงมาถามปัญหาท่านอีกฮึฮิตอยู่ดิมาถามปัญหาเพราะว่าพวกเทวดาเนี่ยเขาเข้ามาตอนกลางคืนว่ากลางวันเขาไม่มาเพราะภารกิจเขาเยอะธุรากิจเขาเยอะเขาต้องมากลางคืนมาก็มาถามปัญหาท่านเมื่อเสร็จตอบปัญหาเทพวกเทวดาก็จวนใกล้ลุ่ง เมื่อจนใกล้ล่วงแล้วท่านก็เลงยานสัตว์โลกว่าพรุ่งนี้จะมีใครบ้างที่พอจะสำเร็จมรรคผลนิพพานคนนั้นก็จะมาต้องขายพยานคือมามาต้องขายคือมาให้ท่านรู้สึกว่าคนนั้นมาต้องขายแสดงว่าคนนั้นจะต้องเมื่อพระองค์ไปแล้วไปพูดแล้วเขาต้องสำเร็จก็กำหนดว่าเขาอยู่ที่ไหน เขาอยู่บ้านใดใกล้หรือไกลท่านก็กาหนดเรียบร้อยพอสว่างท่านก็ไปนะไม่รู้ว่าท่านบรรทมที่ไหนก็ไม่รู้ดินะนั่นนะคือคือมันพักแล้วอ่ะคืออันพักนั่นแหละท่านพักอยู่ในตัวทุกระยะระยะอยู่แล้วก็เป็นพักหมดนั่นทำงานตลอดยี่บสี่ชั่วโมงทุกวันทุกวัน จนกระทั่งวันที่จะดับขันทปรินิพานเหลืออยู่สักห้านาทีมัางทาง่าใช่ไหมสุภัทะสุภัตทะปริภาชก ค, คนสุดท้ายนะกองสุดท้ายเนะี่ยจะเข้าไปถามปัญหาเรื่องครูทั้งหกแต่ที่พระอานนท์ห้ามไว้ว่าไม่อยากให้ไปรบกวนท่านแล้วมันหมดเวลาแล้วเขาจะมาทาอะไรเวลาเนี้ย ไม่ได้ไม่ได้พระองค์ได้ยินท่านนอนอยู่นั่นน่ะได้ยินเสียงก็เลยบอกว่าอานอนท์ให้เขาเข้ามาเถอะเห็นไหมก็เข้ามาท่านก็บอกว่ายกไว้แล้วฉันจะบอกเนี่ยท่านก็บอกการปฏิบัติให้ฮเมื่อได้การปฏิบัติท่านก็เลยหลีกออกไปไปไปพิจารณาตัวเองอยู่เลยเลยที่ประชุมไป นั่นนะเห็นไหมท่านว่าท่านจะต้องละกิเลสตัณหาโป่งวางให้หมดสิ้นก่อนที่พระองค์จะดับขันเข้าสุนิพัน์เนี่ยท่านก็เลยไปเล่งทำความเพียรอยู่คนเดียวเราสาวพวกทั้งหลายก็เห็นว่าท่านไม่จงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยออกจากหมู่ไม่มาเฝ้าด้วยกันก็ไปทูลท่า น, นใกล้จะหมดลมหายใจเขาออกยังมีคนไปทูลท่านอีกอะ่ะ ท่านก็บอกว่าไปเรียกมาอื่ไ า, าไปเรียกมาเข้าไปเรียกมาท่านก็ถามที่จริงท่านทราบแต่ว่าจะให้คนนี้แสดงเฉยเฉยก็บอกว่าข้าพระองค์อตั้งใจว่าจะต้องทําให้สําเร็จก่อนที่พระองค์จะดับขันอ่าท่านพระพุทธเจ้ากระสาธุสาธุาธอืมสาธุด้วยท่านก็เลยลีกไปอีก ไปบำเพ็ญเพียรอยู่แป๊บเดียวก็สมฤทธิาา์นเมื่ององนี้สมฤทธิาา์ฐนพระองค์ก็ดับพ ร, พระพพุทธเจ้ากระดับขันธปรินิพานนั่นน่ะสุพัทะนี่เป็นสาวกพูดสมฤทธิ์ฐานองสุดท้ายนะเห็นไหมท่านแนะนาท่านแนะนำจนกระทั่งหมดลมนะจนกระทั่งหมดลมหายใจเขาออก แนะนำให้เขาทําให้เขาทําให้เขาเดินทางในทางเนี้ยทางเนี้ยเนี่ยท่านก็พยายามไปเดินจนสําเร็จเนี่ยสุพัทน์นี่สําเร็จอรหัน์เป็นองค์สุดท้ายสาวกของพระเจ้าเป็นองค์สุดท้ายอรหัน์องค์แรกก็คือโกนทัญญาองค์สุดท้ายก็คือสุพัทน์นี่เองนะ ไปอย่างนั้นพวกเรานั้นไม่ไม่ฝึกให้จิตใจเข้มแข็งจิตใจอ่อนแอ ท, ท้อแท้เป็นอะไรก็รู้สึกเป็นน้อยก็เป็นหนักเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นท่านจึงว่าถ้าเราไม่ว่าเราเก็บเราป่วย มันก็เก็บกับป่วยเท่าที่มันเก็บนั่นแหละเมื่อเหมือนว่านกตัวอย่างว่ามีดมันบาดมือเราเนี่ยมันเก็บมีแผลมันเก็บมันก็เก็บเท่าที่มันเก็บนั่นเองถ้าจิตใจไปโอ้มันเก็บมันเก็บเก็บแรงกว่าเก่ามันเก็บแรงกว่าเก่าไปอย่างนั้นฉะนั้นทุกอย่างนะเราต้องฝึกต้องหัดต้องตั้งสติให้ดีแล้วพยายาม ปรงวางทุกเรื่องให้ได้โปร่งวางทุกเรื่องให้ได้อืมบางคนก็พูดว่าถ้าปรงวางแล้วมันจะได้อะไรมันได้หมดนั่นแหละมันอยู่นี่มันไม่ได้ไปไหนเนี่ชมมันว่าทีโอทีอยู่เนี่ยอทํางานเสร็จแล้วกลับบ้านก็เอาไว้นี่ไม่ต้องเอาไปบ้านอมาแต่บ้านก็ไม่ต้องเอาบ้านมาด้วยมาที่นี่มาทํางาน อันนี้เอาบ้านนั่นน่ะแล้วก็ยังเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงลูกห่วงหลานอยู่ทางบ้าน น, นั่นม่ว่าเขาไปไหนมาไหนก็ยังส่งใจไปถ้าส่งใจไปอย่างนี้แล้วทำงานผิดพลาดทำงานผิดพลาดได้ง่ายฉะนั้นมันอยู่ที่ตรงไหนก็ให้ใจมันอยู่ตรงนั้นมันที่ทำงานอยู่ตรงไหนก็ให้ใจมันทำงานอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปเอาทั้งหมด เนี่ยเป็นอย่า ง, งานั้นกิจใจเขาขาเราก็จะเบาบางใช่ไหมล่ะลองนะลองทำดูนะที่พูดให้ฟังเนี่ยอลองทำดูเอา้าเอออืมมันสิบสามโมงเก้านาทีนะเนี่ยเอาละเก้าเก้าก็แล้วกันเนาะเก้าเก้าก็ร้อนเพรนก็ทุกท่านทุกคนก็จงตั้งกิจตั้งใจ อุทิศถวายพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราแล้วก็ส่งถวายพระพรสาเ็จพนางเจ้าวรมราชินีนาถแล้วก็ถวายพรพระเจ้าอยู่หัวและวงสนุวงทุกท่านให้เป็นผู้เป็นหลักนําพาประเทศชาติบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างจนพกสนิกรพบกับสันติสุขสันติภาพ อยู่ร่วมกันไม่ต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี่ยขออุทิศถวายท่านตั้งใจกิจจํานงเออ่แผ่อา่าบุญกุศลหรือคุณงามความดีพวกคู่เท่าเราได้บําเพ็ญกุศลทางในวันนี้หรือวันไหนก็แล้วแต่ก็ให้ตั้งใจอุทิศถวายท่านไปอเราก็จะอยู่ในใต้บรมวารสาธิสมพานอย่างสงบสุข เพราะท่านเป็นหลักชัยทุกอย่างต้องมีหลักนะหลักสามประการเนี่ยอย่าทิ้งมันทิ้งไม่ได้หลักอะไรอะ่ะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยสามหลักเนี่ยมีมานานแล้วเราก็จะได้ร่มเย็นเป็นสุขมานานด้วยถ้าขาดองค์ใดองค์หนึ่งเราก็จะเป็นทุกข์เดือดร้อนพิจารณาให้ดีเหมือนกระลมพ่อบอกว่ า, วาถ้ามี อ่าก้อนเศร้าอันเดียวตั้งหม้อได้ไหมไม่ได้แล้วมีสองก้อนละ่ะตั้งหม้อได้ไหมไม่ได้ต้องมีสามก้อนใช่ไหมนั่นต้องทำสามก้อนจึงตั้งหม้อได้อันนี้ฉันใดประเทศไทยเราจะอยู่ได้ไม่วุ่นวายก็ต้องมีเสาสามหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยให้รักษาไวท้ทุกๆคน มิชะนั้นก็จะไปเอาหลักเดียวไม่ได้ฮะเดี๋ยวนี้ประเทศลาวเขาก็กำลังเริ่มเริ่มหันมาสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้วนะแต่เขายังไม่ยังยังนั่นอยูเออ่เพราะว่าเขาตัดออกไปแล้วศาสตร์เอาไม่ใช่อศาสนาพมาการศาสนาเขาตัดออกไปหมดแล้วนะเขากำลังเริ่มนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเนี้เขา นี่มนหลงพ่อไปเทศหลายครั้งเลยนะที่ประเทศลาวเทศภาษาลาวด้วยเมื่อกี้นี้มีคนว่าเทศภาษาลาวให้ฟังหน่อยว่า ง, งั้นนะข อ, ขอเวลาหน่อยนะกิปีเอาป่ ะ, ะ, ะ, ะก่อนจะขึ้นนะไม่ไม่ขึ้นอย่างนี้นะขึ้น อ, ออกตนญาตโยมเอ้ย เสียงทานจะได้ไม่ได้ใช้ท่านนะทานทานจะได้ยินได้ฟังต่อไปนี้บ่เป็นเสียงลาวเวียงแล้วก็บ่เม็นเสียงลาวปักเซแล้วก็บ่เม็นเสียงลาวอุบลไหนเป็นเสียงลาวอีสานเสียงลาวอีสานน่ะเป็นเทศภาษาลาวแต่มันก็เพี้ยนอยู่เพราะว่าลาวไทยของเรามันลาวไทยไม่ใช่ลาวแท้ แต่ก็ส่วนใหญ่ก็ถูกต้องหมดแหละนะแต่ก็มีเพี้ยนอยู่บ้างทีนี้บ้านเราเนี่ยต้องญาติโยมใช่ไหมญาติโยมขึ้นก่อนแต่ทั้งน้นเขาเอาออกเขาเรียกพ่อออกแม่ออกเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเรียกแม่ออกผู้ชายเรียกพ่อออกอ่าเขาเรียกออกตนญาติโยมเอาออกตนก่อนเลยจงค่อยญาติโยมทีหลังอ่า บ้านเราเนะี่ยว่าญาติโยมขึ้นเลยญาติโยมพุทธบริษัทอย่างนี้นะ่ะแต่นั้นเขาต้องออกตนคือออกเนี่ยคือเขาเอานามแม่ไงแม่เป็นผู้ออกคนเราเจะมีเป็นคนเป็นมาอ่าสืบทอดมาบบนี้เพราะมีคนออกลูกเนี่ยมีคนออกเป็นผู้เป็นคนสืบทอดกันมาจนทุกวันเนี่ยท่านจึงได้ว่าเรียกออกไงแม่ออกอ่นนะนะ แต่เป็นภาษาพื้นพื้นบ้านเราก็ไม่เรียกอะเนาะเรียกญาติโยมเลยเนี่ยถ้าว่าคนออกลูกลาวออกลูกไทยเรียกคลอดลูกใช่ไหมนั่นลหละมันมันมันก็เพียยนไปหน่อยมันคนละอย่างกั น, น, นไปเทศสองสามครั้งแล้วแล้วก็ไปลาวใต้กับคุณลุงชัยนี่ก็ไปก็ไปพูดภาษาลาว พูดสองชั่วโมงอยู่กลางอยู่ลานวัดไม่ได้เทศอยู่ที่ศาลากลัวเขามันกลัวเขาจะมาจับเพราะว่าเขาบอกว่าอืมไอเอเอเอมหามหาใช่ไหมมหาคำใสเนาะออท่านเป็นคนลาวแต่เวลาไปไปบ้านท่านน่ะท่านพูดไทยพูดไทยแย่เลยเหไหม ทีนี่หลวงพ่อเป็นไทยแต่พูดลาวแต่องค์นั้นเป็นลาวแต่พูดไทยเออทีนี้พระด้วยกันนะพระลาวเขาตะโกนไปว่าเอออย่าเว้าวไหลเด้อว้าวไหลทะึกจับได้ประวัติงานเว่าวไหลทถึกจับได้เนี่ยวัดเวลาหลวงพ่อพูดอืม응เทศลาวสองชั่วโมงก็ญาติโยมเขาก็คานไป ไปหาผู้ชายนะ่ะก็เลยว่าเอ๊ะมันจะมาจับเราแล้วไงมัมันก็ไม่จับมันก็ยกมือขึ้นหัวมันก็บอกว่าเออเนี่ยไม่เคยได้ยินได้ฟังจักเครือไม่เคยได้ฟังเทศฟังธรรมจักเครือโอ้อยากให้ลูกหลานได้ได้ได้มายินน้ฟังน้ำดีคืออยากให้ลูกให้หลานได้มายินได้ฟังด้วยแกว่าแกไม่เคยได้ยินได้ฟังฟังเทศฟังธรรมเขา บ้านเมืองเขาไม่สงบเขาก็เลยไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเขาเพิ่งไม่ได้ทมเนี่ยเขาบอกว่าฟังแล้วอยากให้ลูกให้หลานเขามาฟังด้วยว่างั้นนะเนี่ยเป็นอย่างนั้นอันนี้ประเทศลาวเล่าเสริมหน่อยจากนั้นก็ขอวันนี้ก็ขอถวายพระพรเรียบร้อยแล้วก็ขออันวยอวยพรให้เกศทายาิโยมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยเนาะ ดวงตาเห็นทมด้วยก็เลยสมควรเก็เวลาเอวังก็มีด้วยประการชนีสาธุ